ข้อควรรู้ควรสังเกตคำศัพทธรรมะชุดไรลักษ์นอกจากเรื่องคำที่มีตาต่อท้ายแล้วยังมีข้อควรรู้ควรสังเกตเกี่ยวกับคำศัพททางธรรมะอีกมากในที่นี้ขอพูดเพิ่มเติ ม, เ, ตมเกี่ยวกับคำในจำพวกธรรมนิยามนี้อีกเล็กน้อยไรยลักษ์ภาษาบาลีว่า ติลักขณะเป็นคำหนึ่งที่คุนหูคุนปากพูดเขียนกันมากได้ยิงกันบ่อยยิ่งที่จริงมิใช่เป็นคำดั้งเดิมไม่มีในพระไตรปิฎกแต่เป็นคำที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่ยุคอัตถกถาส่วนในพระไตรปิฎกเองรัดไว้เป็นหลักธรรมนิยามตาสามที่แสดงแล้วข้างต้นและในที่ทั่วไปไม่มีชื่อเรียกรวมกัน แม้จะตรัสไว้หลายแบบก็ระบุแยกเป็นแต่ละอย่างเช่นว่ารูปังพิกเวอานิจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจังปรูปังพิกเวทุกขงังเวทนาทุกขาสัญญาทุกขาสังขาราทุกขาวิญญาณังทุกขงังรูปังพิกเวอานัตตา เวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาในพระไตรปิฎกแม้จะพบคำบาลีที่แปลว่าลักษณะสามหรือไตรลักษณ์ซึ่งเรียกตามหลักภาษาว่าตินีลักคณานิก็มีแต่ที่หมายถึงลักษณะสามอย่างอื่นทั้งนั้นอย่างใกล้ที่สุดก็หมายถึงสังขตะลักษณะสาม ดังบาลีว่าอุปาทะลคณังวยาลขณังอิตัญญาธัตตาลขณังซึ่งเป็นคนละชุดและมีชื่อเรียกเฉพาะต่างหากอยู่แล้วส่วนคำว่าสามั ญ, ญลักษณะก็ไม่เป็นคำที่มีมาเดิมในพระไตรปิฎกแต่ใช้บ่อยในอัตถคถาเป็นต้นมาและมักใช้ในความหมายเชิงแยกแยะเพื่อเทียบเคียง โดยมีการจำแนกว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะสองอย่างคือลักษณะจำพาะตัวเรียกว่าปัจจนตะลักษณะและลักษณะร่วมที่เสมอเหมือนกันกันกบสิ่งอื่นเรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะเช่นรูปมีภาวะที่ถูกบีบเบียนเป็นปัจจตะลักษณะเวทนามีการสวยรสอารมณ์เป็นปัจจตะลักษณะ แต่ทั้งรูปและเวทนานั้นมีภาวะที่ไม่เที่ยงคืออนิจจตาคงทนอยู่ไม่ได้คือทุกขตาไม่เป็นตัวตนของใครที่จะยึดถือเป็นเจ้าของครอบครองสั่งบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนาได้จริงคืออนัตตาเป็นสามัญลักษณะปัจจตารักษณะนั้นบางทีก็เรียกว่าวิเศษลักษณะ คือลักษณะพิเศษหรือลักษณะของสิ่งนั้นที่แปลกหรือแตกต่างจากสิ่งอื่นคือไม่เหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่เหลือจากตัวมันถ้าใช้คํานี้ก็บอกว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะสองคือวิเศษสลักษณะและสามัญลักษณะบางแห่งท่านพูดให้ชัดขึ้นอีกและใช้คําเรียกอย่างอื่นก็มี เช่นบอกว่าปรมัตธธรรมทั้งหลายมีลักษณะสองคือสภาวะละนะักษณะลักษณะที่เป็นภาวะของมันเองกับสามัญลนะักษณะทั้งนี้สภาวะลักษณะนั้นบางทีก็เรียกสั้นๆแค่ว่าสลสนะักษณะคือลักษณะของมันเอง ในความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายนั้นการรู้เข้าใจถึงสภาวะลักษณะเป็นงานของปัญญาที่เรียกว่าอภิญยาคือความรู้เจาะตรงหรือรู้ประจักษ์ตรงตัวตรงหน้าถึงสภาวะใช้คำว่าอภิชาญก็ได้ซึ่งไม่ใช่อภิญยาในคำว่าอภิญยาห้าและอภิญยาหก เมื่อรู้เข้าใจชัดถ้อยอภิญยาแล้วจัดว่าเป็นปริญญาขั้นต้นที่ชื่อว่ายาตะปริญญาส่วนการรู้เข้าใจถึงสามั ญ, ญลักษณะเป็นงานของปัญญาที่เรียกว่าปริญญาในระดับที่ชื่อว่าติรณปริญญาอันหนึง่งพึงเข้าใจด้วยว่า ไม่จำเป็นต้องพูดยืนตัวเสมอไปว่าสามั ญ, ญลักษณะได้แก่อนิจจตาทุกขตาและอนัตตาเพียงแต่บอกให้ตรงพอดีตามเป็นจริงดังที่บางแห่งท่านก็พูดว่าสังขารทั้งหลายมีสามั ญ, ญลักษณะคือสภาวะที่มีที่เป็นตามเหตุปัจจัยคือมีเหตุปัจจัยอยู่เบื้องหลัง พึงสังเกตด้วยว่าคำที่ตั้งรูปขึ้นมาให้ใช้เป็นหลักความคิดได้สะดวกว่าอนิจจตาทุกขตาอนัตตานี้มิได้มีมาในพระไตรปิฎกร้อมด้วยกันเป็นชุดแต่ท่านใช้แยกต่างหากกันตามแต่กรณีอนิจจตาแม้จะพบมากแห่งสักหน่อยโดยมาก ใช้ในการอธิบายความแตกดับของรู ป, ปรธรรมตลอดจนความตายคือมอรณะแต่ไม่มีเลยที่มาในพุทธพจน์โดยตรงเป็นคำของพระสารีบุตรบ้างของผู้อื่นบ้างและคำอธิบายในพระอภิธรรมปิดกบ้างทุกขตาเป็นพุทธวจนะแต่ก็มีเฉพาะในชุดทุกขตาสาม คือทุกขทุกขตาสังขารทุกขตาวิปริณามทุกขตาส่วนอนัตตาไม่เป็นรูปที่ใช้ในพระไตรปิฎกมาถึงชั้นอัตถกถ า, ธาคงเป็นเพราะท่านกล่าวถึงอธิบายและอ้างอิงธรรมะชุดนี้อยู่เสมอจึงมักใช้คำเหล่านี้ซึ่งเอ่ยอ้างได้สะดวกโดยไม่ต้องออกชื่อครบ ใชเพียงอนิจจตาต่อท้ายด้วยคำว่าอาธิก็พอเจนอนิจจตาที่ปฏิสังยุตตังอนิจจตาที่ลักขณาตยังอนิจจตาที่ว่าเสนะอนิจจตาที่สามัญลักขณางอนิจจตาที่นังเป็นต้นจนกระทั่งในคำภีรุ่นดีกา จึงพบที่มีการนำมาเรียงให้เห็นพร้อมกันเต็มทั้งชุดบ้างแต่ก็ไม่มากแห่ง